สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคำสมดุลระหว่างระบบของพระเจ้าและความเป็นประชาธิปไตยของมนุษย์ในพระธรรมกิจการนะครับเราจะเห็นความสมดุลในสองระบบนี้ก็คือการปกครองของพระเจ้าและการ ปครองของมนุษย์ในระบอบประชาธิปไตยในพันกิจการผู้นำขึ้นจักในเวลานั้นครับซึ่งอัครทูตได้ดําเนินการนําขึ้นจักของพระเจ้าตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําสิ่งที่เขาปฏิบัติก็ เ, เรียกว่าเป็นระบบของพระเจ้าแต่ตอนที่เขาเลือกมัคคุญยกก็เป็นวิธีการที่มาโดยเสียงของมนุษย์เป็นผู้ที่ออก นั่นหมายความว่าเมื่อเราพูดถึงระบบประชาธิปไตยนั้นก็คือว่าเสียงสนับสนุนหรือจำนวนคนที่ยกมือหรือเห็นด้วยนะครับในที่ประชุมนั้นก็คือเป็นคนเป็นมาตรฐานครับคนเป็นที่ตั้งจำนวนเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้ทำการดำเนินการตามระบบประชาธิปไตยในที่ประชุมก็คือประชาชนทาตามหลักการ และมาตรฐานทำการเลือกตั้งเมื่อเลือกตั้งออกมาแล้วผู้ที่ถูกเลือกพวกเขาคือคริสจักรก็มอบให้กับอาาัครทูตเป็นผู้แต่งตั้งนี่คือประชาธิปไตยในระบบของพระเจ้าต้องเกิดความสมดุลครับความสมดุลนี้เราเรียกว่าประชาธิปไตยในระบบของพระเจ้านั่นหมายความว่ามนุษย์เลือก แต่พระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งและมนุษย์เลือกอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าการอธิษฐานก่อนเลือกจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับประชาชนที่อยู่ภายใต้หลักการภายใต้การครอบครองของพระเจ้านั่นคือหลักพื้นฐานที่สําคัญพี่น้องครับการดําเนินการให้ตามพระวจนะพระเจ้าตามความเป็นจริงในวันนี้ ท่านาศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นท่านเสนเอประเด็นสําคัญของปัญหานะครับประเด็นสําคัญของปัญหาเวลาที่เครื่อจักรมีปัญหาจะแก้ไขอย่างไรนะครับท่านาศาสตราจารย์ฟิลิปเทงนั้นท่านได้เสนเออย่างนี้ครับว่าเมื่อเครื่อจักรมีปัญหาก็จะต้องมีประเด็นสําคัญของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้นําของเครื่อจักร ก็คือศิทธยพิบาลหรือผู้นำกิจจักนั่นเองศิทธิพิบาลนั้นเป็นผู้นำกิจจัก ร, ร่วมกันกับคณะธรรมกิจหรือคณะผู้ปกครองมัคคายกนั่นแหละครับคือเป็นผู้นำคณะผู้นำต้องเอาหลักการด้านจิตวิญญาณอบรมสัง่งสอนสมาชิกสม่ำเสมอ ทำให้สมาชิกเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเข้าใจน้ำมันไทยของพระเจ้าเข้าใจทิศทางของพระเจ้าว่าควรดำเนินการอย่างไรนะครับสมาชิกอาจจะเข้าใจน้อยกว่าผู้นำกิจจักอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่ผู้นำกิจจักนั้นหมายถึงสิทยิพิบาลหมายถึงผู้นำกิจจักในทุกๆระดับ จะต้องทำให้สมาชิกเข้าใจพระวจนะของพระเจ้านั่นหมายความว่าเขาจะต้องสอนพระกัมพีได้เขาจะต้องรู้พระกัมภีครับเขาจะต้องรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาเลือกตั้งนะครับก็จะไม่ผิดหลักการก็จะไม่เลือกผิดคนหลายครั้งทีเดียวผมขอเพิ่มเติมครับในหลายๆลคริสตจักรก็มีหลักการ ซึ่งเป็นหลักของคิดจักตัวเองจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับพระกัมพีนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เลยทําให้คิดจักรนั้นหลากหลายในความเป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณความหลากหลายตรงนี้แหละครับหลายครั้งทีเดียวก่อเกิดปัญหาเพราะเนื่องจากว่าการตีความพระกัมพีความเข้าใจในพระกัมพีนั้นแตกต่างกันเมื่อแตกต่างกันนั้นก็จะมีหลักปฏิบัติหลักคิดที่แตกต่างกัน แต่เมื่อเป็นเช่นนี้ทําให้กิจจจักรนั้นก็ต้องอยู่กันด้วยความอดทนครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็แตกกระจายแตกสารสั้นเซ็นไปนี่คือประการแรกครับเรื่องที่2ก็คือว่าเมื่อมีความโต้แย้งนะครับในการเลือกตั้งซึ่งเป็นระบอบของมนุษย์เมื่อมีการโต้แยง้งผู้นําต้องอาศัยหลักการในพระกมภี์แก้ไขปัญหาและชี้แนะแนวทาง พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ได้มีไว้สําหรับวิพากษ์วิจารณนะครับไม่ได้มีไว้สําหรับที่จะบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นมีไว้สําหรับชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาและเป็นมาตรฐานจริยธรรมมาตรฐานของแนวทางการปฏิบัติที่สูงสุดจะขัดแย้งกับพระคัมภีร์ไม่ได้นั่นคือหลักข้อเชื่อหลักนะครับนั่นคือหลัก ข้อเชื่อสำคัญเพียงครับเมื่อมีการโต้แย้งในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยหรือเมื่อมีการโต้แย้งในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับผู้นำผู้นำฝ่ายวิญญาณหรือผู้นำคึ้นตรจักรนั้นจะต้องอาศัยหลักการของพระกัมพีมาแก้ไขปัญหาครับหาทางออกให้ได้ประการที่3ครับท่านศาสตราจารย์ดรฟลิปเทงนั้นแนะนาว่าผู้นำขึินตรัก ไม่ควรเป็นผู้เผด็จการควรเป็นผู้ถ่อมใจนอบน้อมเชื่อฟังและสแสวงหาน้ำมัไทยของประชาชาควรมีท่าทีสุภาพไม่เอียงข้างไม่เห็นแก่ตัวในการจัดการบริหารต่างๆนั้นก็จะต้องรับฟังความคิดเห็นของมวลสมาชิกของที่ประชุมอันนี้ก็คือหลักการการจัดการครับหลักการการบริหารไม่ควรเป็นผู้เผด็จการทางความคิด หรือไม่ควรจะมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้เผด็จการทางความคิดแต่ในทางกลับกันครับจะต้องถ่อมใจนอบน้อมเชื่อฟังถ่อมใจนอบน้อมเชื่อฟังคือขอการทรงนำของพระเจ้าสแสวงหาหน้าพัทไทของพระเจ้าครับและจะต้องมีท่าทีสุภาพนะครับไม่มีอคติไม่เอียงข้างไม่เห็นแก่ตัวในการบริหารจัดการ ในการรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุมสิ่งนี้สำคัญครับพี่น้องครับเวลาที่เรามาดูกลับมาดูระบอบการปกครองหรือวิธีการปกครองของขึ้นจักรเราจะต้องพบว่าขึ้นจักรของเรานั้นควรจะมีความสมดุลระหว่างระบบของพระเจ้าและความเป็นประชาธิปไตยของมนุษย์เราจะต้องมีบทบาทการนา ที่ถูกต้องเราจะต้องมีบทบาทการตามที่ถูกต้องเราจะต้องมีบทบาทของการปกครองการบริหารจัดการที่ถูกต้องระบบของพระเจ้านะครับก็ปกครองโดยพระเจ้าและมีพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่เลือกและแต่งตั้งผู้นำกิจจักรผู้นำกิจจักนั้นจะต้องรู้ว่า เรามีความรับผิดชอบมากและเราต้องถวายรายงานเมื่อเราพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะบริหารจัดการกิจจักรของพระองค์ตามใจของเราหรือตามน้มัรทัยของพระองค์นั่นคือคําถามที่สาคัญในเช้าวันนี้และผมก็เชื่อว่าในเช้าวันนี้พี่น้องหลายท่านที่ฟังเสียงสิจพิบานัน้น ท่านก็เป็นผู้นํากรืจักรคนหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ถ่อมใจนอบน้อมเชื่อฟังและสแสวงหานา้ำมันไทยของพระเจ้าจะต้องมีท่าทีสุภาพนะครับไม่มีอคติไม่เห็นแก่ตัวในการบริหารจัดการดูแลเครจักรของพระเจ้าปกครองกิรจักรของพระเจ้าเราจะต้องรับฟังความเห็นของที่ประชุม ขอพระเจ้าเมตตาไวพระพรกิจจักทุกข์กิจจักและผู้ที่ได้ฟังในเช้าวันนี้ให้ทำตนให้เป็นที่ชื่นชอบของพระเจ้าและเป็นที่ชื่นชอบของมนุษย์อาเมน